ขอความสุขความเจริญจุงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกำลังนําเสนอประวัติของภาษาดิบุตรเระในสมัยที่ท่านเป็นคณาจารย์เจ้าลัชชิในอดีตการนานไกลท่านเล่าถึง พวกการประพฤติปฏิบัติแบบชดินแบบดะบที่เป็นพวกฤาษีบริวารของท่านก็ถือว่าทําให้เราได้เรียนรู้ว่ารูปแบบของดะบทฉดินเนี่ยมันมีรูปแบบหลากหลายมากนะเกิด การแต่งเนื้อแต่งตัววัดปฏิบัติที่แต่ละฝ่ายได้เน้นั้นกอนเนตไม่เหมือนกันแต่ว่าน้องสู่ผลโดยเชื่อมั่นว่าวิธีการของตอนนั้นจะทำให้ตนเข้าถึงโมกสะคือความหลุดพ้นได้แม้การประปฏิบัติจะแตกต่างกันก็ตามแต่ว่าทุกท่านก็เป็นได้ห ในตอนต่อไปท่านบอกว่าปวงหรือสีทั้งหมดเหล่านี้แลททำแผ่นดินให้ไหวเตี้วไปในอากาศมีเดชแผ่ไปยากที่ใครๆจะคงขี่ได้ดังสาครที่ใครๆให้กระเพื่อมไม่ได้ฉะนั้นฤศีสิทธิ์ของเราบางพวกประกอบการยืนและการเดินบางพวกไม่นั่ง บางพวกกินผลไม้ที่หล่นเองหาผู้อื่นเสมอเหมือนไม่ได้ซึ่งหมายความว่าถ้าไม่เจอผลไม้หลน่นวันนั้นก็อดกันหรือพวกที่ถือว่าการยืนการเดินเป็นอริยาบทหลักไม่นั่งเด้วก็ไม่นอนเป็นแบบทรมานร่างกาย ซึ่งในการปฏิบัติกรรมฐานของเราเราก็มีการถือปฏิบัติในบางแบบนะเช่นว่าการไม่นอนเป็นวัดหรือการนั่งเป็นวัดแต่ว่าการยืนการเดินนั้นยังไม่พบว่ายืนเป็นวัดหรือว่าเดินเป็นวัดนี่ยยังไม่พบก็พบแต่เฉพาะที่นั่งเป็นวัดแก่นอนไม่นอนเป็นวัด ก็แสดงว่าเป็นการฝึกปรือตัวเองให้มีความอดกลัน้นอดทนทนทานต่อทุกขเวทนาแต่่าใช้สติเพ่งดูทุกขเวทนาเหล่านั้นจะพิจารณาได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรท่นไม่ให้รายละเอียดไว้พูฤๅษีเหล่านี้ทั้งหมดมีปกติอยู่ในเวตา สแสดงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่เหล่าสัพพะสัตว์ไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่ตีเตียนใครเป็นผู้ไม่สะดุ้งดังพยาราชสีมีกำลังเหมือนพยาคตชสารยากที่ใครใจะข่มได้ดูดเสือโคร่งย่อบมาในสำนักเราจุดเด่นของฤาษีเหล่านี้เราจะเห็นว่าธรรมะหลายข้อเลยกัน ขาแรกก็คือมีปกติอยู่ในเมตตาที่เรียกว่าเมตตาวิหารีซึ่งพระพุทธาศาสนาเองก็เด่นไม่มากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าโลกเราถ้าเมตากันได้เนี่ยปัญหาต่างๆจะยุติหรืออย่างน้อยก็บันเทาบบัางลงไปาการทำให้เมตตาเกิดแพร่หลายทั่วถึงไปในทุกหมู่ชนนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าทํำยังไงจะลดความรุนแรงลงเราก็กลับมองไปที่ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวหลักมาเริ่มต้นก็เว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตกดเว้นจากการเบียดเบียนรดเว้นจากการทรมานรดเว้นจากการโทรกรรมกดเว้นจากการพวกพาสตราวุธทั้งหลายกดเว้นจากการไม่สมหวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่น แล้วก็พัฒนาจิตไปสู่อิริไปสู่โอตระปไปสู่เมตตาไปสู่เอ็นดูจนเพื่อนจิตเนี่ยอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็ไปสูงกว่าเมตตาแล้วมันเป็นการุณาไปแล้วแล้วแสวงหาประโยชน์ชื่อกูลต่อสรรพสัตว์ มายว่การประพฤติการกระทำอันใดก็ตามที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอะไรก็ตามที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกือ้อกูลไม่มอำนวยความสุขให้แก่สรรพสัตว์ท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นที่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวหาไอ้ตัวเนื้อหาหลักคือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเป็นหลักการของผู้สํารวมระวังผู้บําเพ็ญพรด ในระดับต่างๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านทมได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านแต่ก็เป็นหลักการของดาวบททั้งหลายของนักบวช ท, ทั้งหลายไม่ยกตนข่มคนอื่นเรียกว่าไม่ดูหมิ่นคนอื่น ดูหมินด้วยชาติดูหมินด้วยความรู้ดูหมินด้วยรูปร่างดูหมินด้วยทรัพย์ดูหมินด้วยฤทธิ์ดูหมินด้วยอะไรต่างๆกันคนเราก็มีคนที่เหนือกว่าเราในบางเรื่องต่อนด้อยกว่าเราในบางเรื่องแต่ว่าการไปศระมาาดูหมู่ดูถูกดูหมินคนอื่นนี่มันเป็นการดกตนข่มคนอื่นเป็นอาการของจิตที่มีความกระด้าง มีความก้าวร้าวรุนแรงจนถึงก็ถือตัวจัดแล้วในสุดมันก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายรบกันมีความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ แ, แต่การต่อไปก็คือไม่ติเตียนใครการจะติเตียนใครหรือไม่ติเตียนใครเนี่ยถ้าหากว่าเราทำโดยเมตตาพูดจากันเป็นการภายใน เราโมงดีปรารถนาดีแต่บุคคลอื่นเขาทาบุกร้องผิดพลาดหลายครั้งหลายคราแต่เราจะไปตักเตือนต่อหน้าเขามีคนอื่นรับรู้อยู่ด้วยมันก็ไม่ควรใครๆก็ซ้าเติมเขาแต่ถ้าได้โอกาสเราขอโอกาสเขาแล้วก็คุยกันด้วยความรู้สึกสุจริตใจต่อกันให้สติให้คิด ให้สุขคิดใดๆคิดได ห, หวนคิดว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าตัดสินใจเว้นหรือไม่เว้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ที่นี้ในบางกรณีเนี่ยคนเหล่านั้นอยู่ในปกครองดูดูแลของเราเช่นลูกหลานลูกศิษย์ญาติพี่น้องที่อยู่ในวิสัยจะว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ก็ว่ากล่าวตักเตือนเพราะหลักการตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอย่างงั้นล้วนๆแต่พระพุทธเจ้าให้ทำด้วยเขาเรียกว่ามีเมตตาเป็นปุเรจาริกคือเมตตานำไปข้างหน้าหวังประโยชน์กึูลแลวเหมือความสุขให้แก่เขาในขณะเดียวกันก็ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้ว ตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิก็หมายความว่าตำหนิที่กรรมเขาแต่ที่จะตำหนิตัวเขาตำหนิเฉพาะการกระทำการกระทำในคราวนั้นการกระทำควรตำหนิก็ตำหนิการกระทำควรยกย่องก็ควรยกย่องตามสมควรแก่กรรมอันนี้เป็นหลักการในการบริหารงานบุคคลมันจะต้องมีการตำหนิมีการยกย่อง ตามโครงสร้างก็สาน้ำลูกยอกอภายัยคือใ้ความรักความเมตตาเมือนภาษาดน้ำแล้วก็ยกย่องชมเชยเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติดีเมือนก็ลูกหยอแต่กระําหนีท่วงติงตักเตือนเมื่อก็ก่อภายัยเป็นการปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับ ไม่ใช่ว่าเราจะเจริญธรรมะว่าเอาแล้วฉันจะอุเบกขาแล้ววางเฉยหมดเลยทุกเรื่องเลยเด็กตกน้ำสัตว์ตกน้ำนั่งดูเฉยถามว่าทำไมไม่ช่วยอ่ะผู้เบกขาอันนี้ไม่ใช่อุเบกขาเป็นอุเบกขาโง่เขาเรียกว่าอัญญานุเบกขากูเบกขาโง่อุเบกขาเป็นปัญญา มันมีเหตุมีผลมีการเพ่งพินิษ์มีการตรวจสอบแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแกร่กรณีนั้นนั้นประการต่อไปก็คือเป็นผู้ไม่สะดุ้งดังพยาราชสีคือการสะดุ้งเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องของคนที่ถนอมตนรักตนถนอมตน กลัวเกิดจะเกิดภัยกลัวจะเกิดอันตรายแก่ตนเองแต่การหวั่นสะดุงเหล่านั้นมันก็เกิดมาจากกิเลสเป็นเหตุให้สะดุงที่เรามีปัญหาเรื่องความรู้เรามีปัญหาเรื่องความเพลิประพฤติเรามีปัญหาเรื่องความสามารถเรามีปัญหาเรื่องคุณธรรมก็หมายความว่าเรามีจุดบกพร่องก็กลัวกลัวการโจดท้วงการท้วงติงจากบุคคลอื่น แต่ถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่เห็นจะต้องสะดุ้งอะไรอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่ท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุที่สะดุง้งเรียกว่าเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่คนที่สะดุ้งทั้งหลายคคนเปน็นมากก็จะสะดุ้งกันแต่ว่าอาชาไ น, นบุคคลเนี่ยบุคคนระดับอาชาไนเนี่ยเขาไม่สะดุง้ง สุ ด, ดยอดของชาแนลก็คือพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็ไม่เบานะครท่านเป็นดั บ, บุตรแต่ว่าก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่สะดุ้งได้อีกอย่างหนึ่งโดยสถานะของนักบวชนักพรตเนี่ยถ้าไม่สาหัสสากา ร, รจริงๆใครก็ไม่เบียดเบียนอยู่แล้วคว่าให้ความเคารพนับถืออย่าำเกรงให้เกียรติยกย่องอยู่แล้ว แล้วเมื่อท่านไม่มีปัญหาอะไรด้วยมันก็ไม่มีจุดอ่อนที่ใครจะท้วงติงทีือจะนำหนิดได้มีกำลังเหมือนพยาคดะสารไอ้นี้ไท้ฤทธิ์แล้วนะฮะคือมาความมาใช้อิทีวิธีแล้วถ้าหากว่าท่านเป็นดาบุกทั่วไปไม่ได้อภินยาห้าข้ออิทธิวิธีท่านก็จะแข็งแรงขนาดนั้นไม่ได้หรอก ยากที่ใครๆจะข่มได้แน่นอนท่านมีฤทธิ์ใครก็ขมทันไม่ได้แล้วก็ยกตัวอย่างมาเหมือนกับเสือโคร่งก็ย่อมมาในสำนักของท่านสุรจีดาบุตรแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าพวกวิชาทรเทวดาน่าคนทันปีเสื้อน้ำหุมพันอสูรและรุด เข้าไปอาศัยสะนั้นเลี้ยงชีวิตสิคนเราเหล่านั้นทรงชดาและบริการนุ่งห่มหนังสัตว์เที่ยวไปในอากาศทุกคนเข้าไปอาศัยสานั้นเลี้ยงชีวิตในการนั้นสิ์เหล่านั้นเป็นผู้สมควรแก่กันและกัมีความเคารพกันและกันศิสอง24ื่นี่พันคนไม่มีเสียงจามเสียงไอ ติดเหล่านั้นซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าเงียบเสียงสมวมดีทั้งหมดนั้นเข้ามาไหวเราด้วยเสียงก้าวมีประเด็นหนึ่งคือประเด็นนาคนาคกระครุดนะฮะคือเวลานี้สังคมไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันปวณาที่มีการไปดูบั้งไฟพยานากันที่แม่น้ําโขง แต่อะไรแตจังหวัดตรังคายหรือะไรเนี่ยก็หลายจังหวัดดินแม่กลมตอนนี้มีลูกสิบที่มาส่งเสียไปเรียนปัญญาโทข้จบัญยาโทแล้วตอนนี้ก็มาเป็นอาจารย์ก็เป็นรองเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์บางคนก็มาบอกว่าจะไปทําวิทยานิพนธ์เรื่องพญานาค บอกเออทำตามตำนานเนี่ยตำนานในคำภีพระพุทธศาสนาของเราเนี่พยพญานาค ท, ท่านอธิบายไว้ยังไงเพราะพญานาค ก, กับพญาครุฑเนี่ยมันกึ่งมนุษย์กับกึ่งไม่ใช่กึ่งเทพกับกึบก่งดิเรกสารสามารถดิะมิรแปลงกายได้ต่างๆนาน า, นาพญานาคจะกลายเป็นนาคได้ก็สองครั้งคือตอนนอนหลับกับ เวลาสมสู่กับนางนาคมานาวิกาแต่เวลาอื่นท่านก็แปลงตัวเป็นมนุษย์เป็นอะไรอะไรเข้าไปอยู่ในที่ต่างๆได้ไม่มีใครรู้หรอกอยากครุดก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วเราก็มีตำนานที่เล่าขานกันแต่คนสมัยใหม่ก็พยายามที่จะพูดถึงมนุษย์เผ่านาคาซึ่งอยู่ทางอินเดียใต้นะฮะ แต่ธรรมินนาดูแต่แทเนี่ยแต่ว่าโดยตำนานแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่าเป็นทํานองกึ่งเทพกึง่งกึ่งเดรัจฉานก็ถ้ามีการศึกษาวิจัยค้นคว้า ม, มาได้ดีก็คงจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ ทนี้คำว่าเสียงไอเสียงจามเนี่ยหมายความว่าสุขภาพร่างกายเป็นปกติแต่ไ อ, ไอจามบางทีเราก็ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข่มันก็ต้องไอจามเป็นธรรมดาเป็นกิริยาการที่แสดงถึงความเคารพเวลาเข้าไปสู่สํานักของคนที่เราให้ความเคารพนับถือคือเห็นว่าตัวเองกําลังจะไอ จ, จามก็ต้องขอโอกาสออกไปข้างนอก ไปตามให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยเข้ามาเ่วาการจะไม่มีเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราคนตั้งสองหมื่นสี่พันคนมันก็เจ็บไา้ไม่สบายอยู่บ้างแล้ ว, ลวก็เวลานอนนั้นซ้อนเท้าเหลื่อมเท้านอนแบบพระพุทธ ร, รูปสยญาต แล้วก็เงียบเสียงคือคือไม่ส่งเสียงเลยเกิดตึกครึนโครมไปเอามากนะฮะคือหมายความมาพัฒนาไปมากเลคนถั้งสอง0มืนสี่พันนเงียบอยู่ได้ในะเงียบมากแล้วก็สำรวมดีประการต่อไปเราเพ่งฌานยินดีแล้วในฌานหอมลองด้วยสิทธิผู้สงบ ง, งับมีตะบะเหล่านั้น เพ่งชาญก็หมายความว่าเจริญชาญคือชาญบอกจากชาญเนี่ยเขาก็เสือเ่อมนะคือเราไม่ได้อยู่หรอกเขาก็เสื่อมไปแต่เราต้องการให้เกิดเราก็เพ่งชาญแต่ว่ามันมีความชำนาญมีวัตสีชำนาญชาญมันก็เกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็ลุกสิตยเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือปฏิบัติตามกัน เป็นผู้สงบระงับมีตาบะมีความเพียรพยายามบากบัน่นเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องก็อยู่ในอาสมนั้นอาสมเรามีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นศีลของเราหรือสีแน่นอนเละกลิ่นอยอื่นมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวก็หรือสีที่ว่าไว้ในตอนตอน้นเราจะเห็นว่ามันก็กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไรหร่หรอก และด้วยกลิ่นสองอย่างคือกลิ่นดอกไม้และกลิ่นผลไม้ของต้นไม้ที่ปีดดอกออกผลเราไม่รู้สึกตลอดคืนตลอดวันคำว่าไม่รู้สึกตลอดคืนตลอดวันเนี่ยหมายความว่าหนึ่ก็คือถ้ายามตื่นอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจถึงกลิ่น ของดอกไม้แล้วก็ผลไม้ไอกรีนเราด้า น, นมันก็สัตว์แต่วัคติไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรทั้งอย่างนี้แล้วก็คล้ายๆเราอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เราเคยชินอย่างแถวมหาชัยเนี่ยเคยไปสอสามครั้งไปครั้งแรก กลิ่นปลาี่เยอะมากแล้วก็นั่งอยู่พักหนึ่งปรากฏว่ากลิ่นมันหายไปแล้วก็จับได้โ อ, มอ้มันก็ชินไปอยู่ถึงจยดหนึ่งมันก็ชินไปตามพ้าที่นั้นท่านเจ้าวาที่นั้นว่าท่านได้กลิ่นหรือเรล่าท่านบอกไม่ได้แล้วมันอยู่กันมาจนชินแล้วหลายสิบปีแล้วก็แสดงให้เห็นว่า พอถึงจุดหนึ่งก็คือชินชินมันก็กลายเป็นกลิ่นธรรมดาอย่างหนึ่งก็คือไม่สนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสืกเนื่องมาจากาำที่ท่านบอกว่าท่านเพ่งชาตเมื่อท่านเข้าชาตกลิ่นเหล่านั้นก็แยกออกไปเลยจิตไม่ได้ออกไปรับรู้เรื่องกลิ่นเหล่านั้นแต่ท่านก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะอะไร ความไม่ยินดีไม่มีแก่เราเราสั่งสอนบรรดาศิษย์ของตนย่อมได้ความร่าเริองอย่างยิ่งหมายความมาแสดงว่าอิเดียบทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านไม่ยินดีในกลิ่นของดอกไม้ของผลไม้ท่านนั่นเองประกอกับความเคยชินดังกล่าว เวลาสั่งสอนลูกศิษย์ลุกศิษิ์ก็บันเทิงรืดเรองใจเกิดในชาติที่ท่านเป็นพระสารีบุตรท่านก็เป็นอย่างนั้นนะเทเสดเพราะเทศสดได้ลึกซึ้งอธิบายธรรมะไว้ยเยอะมากขยายความในเรื่องต่างๆถ้าเราไปอ่านผลงานของพระสารีบุตรใจบเนี่ยต้องใช้เวลานานเหมือนกัน ที่จริงถ้าพูดถึงว่ามีเวลาว่างพอเนี่ยน่าอ่านน่าอ่านเพราะว่ามัน ข, มขยายความขยายความแล้วก็ทำให้เราเข้าใจธรรมะเหล่านั้นได้ลึกซึ้งมากจริงขึ้นแล้วก็มองยึดโยงกันเป็นกระบวนการของธรรมะได้มากจริงขึ้นิการแสดงธรรมะได้รื่นเริงเนี่ยคือหลักการในการแสดง พู้เจ้านั้นมีวิธีการแสดงสี่อย่างนะเรื่องเดียวกันนั่นแหละการสันทนาคือเรื่องเหล่านั้นชัดเจนแจ่มแจ้งทราบซึ้งตรึงใจของผู้ฟังแล้วก็เชิญชวนชักชวนกระตุ้นเร่งเรา้าให้เกิดชันท่าอุตสาหะที่จะน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติแล้วก็ประการที่สามก็คือ บางทีมันใจหดหูไม่พร้อมเหนยหน่ายท้อถอยพยายามมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่สาเร็จประโยชน์อะไรแต่ก็บุกเราให้เกิดความเชื่อมัน่นให้มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อทำได้เราต้องทำได้พยายามขาจัดคำว่าไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นออกไปแล้วก็ประพฤิน พยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ประการต่อไปก็คือสัมปังสนาคือคนฟังนะ่ะมันเพลินคือธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกคือถ้าเจอคนพูดดีๆอธิบายดีๆทราบซึ้งเนี่ยเวลเวลามันผ่านไปบางทีไม่ปวดไม่เมื่อยนะ ขนาดสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยไม่รู้สึกปวดเมื่อยเลยปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนในญ่ยอาปวนั่งหลับตาบ้างหลับตาบ้างฟังไปแล้วก็คิดตามไปแล้วถ้าคิดแล้วเข้าใจเข้าใจต่อเนื่องต่อเนื่องก็เพลินนะฮะเพลินการแสดงธรรมะของสํานักกรรมฐานที่เทศกันตลอดคืนถึงรุ่ง อย่างสายพระจันทราเนี่ยเขาวันวันธรรมสวรรค์นี่เขาไม่นอนนะเขาไหว้พระสวดมนต์เขาเจริญกรรมฐ า, านเขาเดินจงกรมเขาเทศเขาทำอสากาส า, สาการทั้งคืนนั่นแหละก็ะอยู่กันอย่างงี้ื็วันอะไรนี้ก็ทําได้ทุกวัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าที่รู้ว่าวัดสํานักอาจารย์ชาจะทำํำอย่างนี้น เรลาจารกรรมฐานต่างๆที่ลูกศิษย์ในความเคารพนับถือมากและก็สนใจในการฟังธรรมะจากท่านนี่ยก็ฟังกันได้นานๆนเป็นชั่วชั่วโมงหลายชั่วโมงมันทีก็ฟังกันจนรุ่งสมัยพุทธกาลในความเทศรุ่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาฟังกันตอนเย็นๆนะแล้วก็จนรุ่งสางไป เราาจะเปลี่ยนองค์เทพกันบ้างโยมอาจจะเปลี่ยนริยาบทไปบ้างหายไปบ้างเข้ามาเพิ่มบ้างอะไรเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันได้คือสรุปว่าเรารักแต่เรามีฉันทะวิริยะมันก็เกิดจิตตะมันก็จดจ่อปัญญามันก็สว่างโพรงรอยู่ตลอด กิจบาตสี่มันก็เดินขับเคลื่อนไปเรื่อยๆก็จะทําให้เรามีความทราบซึ้งในเรื่องเหล่านี้ขึ้นแต่ท่านบอกว่าเมื่อดอกไม้ทั้งหลายบานสะพรัง่งและผลไม้ทั้งหลายสุกกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นทิพย์ก็ส่งกลิ่นหอมพวนไปตามมาสมของเรางดงามเราออกจากสมาธิมีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน นี่ก็เป็นธรรมะหลักนะสมาธิความเพียรปัญญาปัญญารักษาตนเป็นธรรมะในกลุ่มอินทรีย์เกิดหมายความว่าตัวสมาธิก็คือสมาธินซีตัวความเพียรก็คือวิริยนรีตัวปัญญาก็คือปัญญินรีก็หมายความว่ามีศรัทธากับสติอยู่ด้วยแต่ว่าไม่พูดไม่พูดเพราะว่า แต่ท่านเข้าวชาญเน่ท่านข้าชาญออกจากชาญแล้วก็จเตรียมบวกบริขานที่จะไปเก็บผลไม้ในป่าเนี่ยในการนั้นเราศึกษาชำนาญในลางดีลางร้ายฝันดีฝันร้ายและตําราทํานายลักษณะ ทรงบทมนที่ประมังแพร่หลายกันอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องโบราณทั้งหมดนี่เป็นเรื่องโบราณเราจะพบว่าพวกลางพวกนิมิตทั้งหลายเนี่ยคือจะถือว่าไม่จริงทั้งร้อยเนี่ยมังก็ยากนะะเราะบางเรื่องมันจริงแต่ว่าจะจริงทั้งร้อยมันก็ไม่ได้อีกแล้ว เพราะว่าภายในจิตใจของคนที่ประสบลางเหล่านั้นมันต้องมีคุณธรรมความดีมีความสงอบอยู่มีความเยือกเย็นอยู่แล้วก็ปรากฏนิมิตอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถบอกได้ทำนายได้ในขณะเดียวกันเรื่องมนต์ต่างๆที่มีการใส่ใจศึกษากัน ่อนเราก็มีมนอะไรยเยอะๆนะฮะหนังสือเ ล, เล็กๆแต่ก็พิมพ์เผยแพร่บางทีก็พิมพ์กระป็นหมื่นๆเล่มแจกก็ เ, เคยพบหลายเล่มแต่ไม่เคยอ่านจบนะพราออ่านแล้วก็มันสะดุดมันขาดเหตุผลมันไม่สอดรับกับหลักการในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรื่องบัยกรณ์ทางภาษาบาลีเองก็ไม่ถูกต้อง ก็ท่าไม่เห็นว่าไม่ใช่ความรู้ของนักปราหรอกแต่เป็นเรื่องคนปรำปราเป็นเรื่องปรำปราที่ควรเก่าๆท่านขีดเขียนเอาไว้คัดลอกกันไปคัดลอกกันมาผิดที่ไหนก็ไม่รู้อย่างคาถาจินนบัญชรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตั้งหลายสำนวนก็ไม่รู้สำนวนก็ใครถูกอะ่ะ แม้แต่ของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตเองทึ่งถือว่าเป็นเจ้าตำหักรูปหนึ่งเนี่ยมันเคมีลอกกันไปลอกกันมาก็มีผิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ถูกมคืออะไรเพราะว่าแต่ละเจาับมันก็วิปลาสคลาดเคลื่อนกันอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าก่าเรานำมาท่องมันก็ช่วยในการสาธยาย แล้วก็ช่วยในการความจำแล้วก็ระลึลกถึงคุณของพระสนัตไตรแต่ว่าก็อิทิปิโ ซ, โซสวากาโตสุเป็นเตเปโนก็น่าจะดีกว่านะฮะเพราะนี่เป็นบาลีพุทธวจนะหรือพวกคาถาเหล่านั้นก็ถึงจะเป็นคาถาก็เถอะแต่ว่าเป็นคนที่แต่งในรุ่นหลังก็มีเวลามีโอกาสจะท่องก็ท่องไปเถอะ แต่ถ้ายัางไม่พร้อมก็สวดเฉพาะที่เป็นบาลีพุทธออวาดีกว่ามันมีความมั่นใจสูงกว่าแต่ท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัติสีเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นนระผู้องค์อาจ ทรงประสงค์ความมีเวกจึงเสด็จเข้ามาอย่างป่าหิมวันลงเป็นผู้เลิศเป็นมุนีประกอบด้วยกรุณาเป็นบุรุษผู้สูงสุดเสด็จเข้าป่าหิมวันแล้วก็ทรงนั่งขัดสมาธิอันนี้ก็คือตัวเนื้อเรื่องในเล่ามาแล้วก็เป็นการเรียบเรียงโดยพระอตจฉริะอาจารย์แต่ตอนนี้ท่านเล่าเอง ท่เลเราเองแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าชื่อท่านทำไมจึงเปลี่ยนมันอาจจะเป็นไปได้ว่าสรพังคณดาบทนะก็ตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดใหม่จิตใจก็ยังยินดีอยู่ในความเป็นนักบวชพระพุทธเจ้าทรงพระนาม อ, อนโนุมัทศีนั้นพระชนสายังยืดมากท่านเกิดใหม่ชาติหนึ่งก็ยังพบอยู่แต่นี้ท่านแมอธิบายไว้ในะสันนิฐานะ แล้วก็ส่วนคุณสมบัติแบบนี้เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าทุกองค์หมายความว่าเราจะโอนย้ายไปสรรเสริญองคไหนก็ได้ไม่เกินความจริงคือความจริงก็เป็นอย่างนั้นเพระผลทั้งหมดมันมาจากการไม่มีกิเลสคนเราผมไม่มีกิเลสและความดีสารพัดที่จะนับลงไปนับเป็นร้อยเป็นพันก็นับได้ ไอ้ปัญหาที่มันยุ่งที่ขึ้นๆลงๆสุบๆดิบๆเนี่ยที่ดีก็ไม่ดีจริงชั่วก็ไม่ชั่วมากมันก็เพราะว่ากิเลสมันยังไม่หมดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากกิเลสทิฏฐวัติยาทรงสรุปประสังคิเตนะปัจจุ ป, ปาทานัคขันธาตุกขากล่าวโดยสรุปแล้วจิต ท, ที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหนั่นแหละก็เป็นทุกข์ เพราะงั้นเราจะเห็นว่าคําว่าเป็นผู้เลิศเด่นมุนีประกอบด้วยกรุณาเป็นบุรุษผู้สูงสุดก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเราได้เห็นบรรดาสมาชิกสมุทตเจ้าพระองค์นั้นทรงมีรัศมีสว่างจ้าหน้ารื่นรมใจรุ่งเรืองดังดอกบัวเขียวโชดช่วงดังกองไฟเราได้เห็นพระนายกผู้ของโลกผู้รุ่งเรืองอยู่ดุดปวดไม้ ดูดต้นไม้ประดับด้วยประชีพเหมือนสายฟ้าในอากาศเหมือนต้นพยารังที่ดอกบานสะพร่งแต่ว่าข้อที่น่าสังคิดแน่าคิดก็เลยไปไปจากนั้นว่ามันคนละชาติกันแน่นอนเพราะบริวารก็ห่างกันบริวารของท่านสมัยเป็นสรารพัคาดาวโบสถมีตั้งเจ็ดหมื่นกว่านะฮะมีตั้งเจ็ดหมื่นกว่าอันนี้ก็ ส4 0 0 0นี่พันั่น่เองแล้วชื่อท่านก็ต่างกันชื่อตอนนี้ก็สุรุจิชื่อตอนโน้นก็สรพังขะแต่ก็ได้พบพระอนมาทัศ ส, สีสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมาพบอยู่ทั้งสองชาติเกี่ยความโน้มเอียงที่มีอยู่ภายในใจคือมีความยินดีในธรรมะนั่นก็มีอยู่ เปิดม่ชาติก่อนท่านบรรลุฌานแต่อย่าลืมนะเรื่องสระพังคะานี่ท่านไปเกิดในพรหมโลกพอหลังจากไปตกลงกับวัฒนาริชุไอวัฒนาเตือบดีผู้เป็นสหายที่ต่อมาเป็นพระนรุษพระโมคคัลลานะเนี่ยวันหนิงก็บำเพ็ญทานบำเพ็ญกุศลต่างๆก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ แต่ควายหนึ่งเจริญพรหมิหารก็บังเกิดในพรหมโลกแต่ตรงนี้ก็ท่านไม่อธิบายไว้นะคือไม่รู้เหตุผลอะไรทำไมจึงเป็นพระโหน่มทัศศรีพุทธเจ้าอีกแต่ว่าจากตำนานที่ท่านเรียบเรียงเล่าไว้นะพระชนษายังอย่ดนกเกิด เอาขนาดก่อนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทั้งสองหมื่นปีมีประชาสาอยู่ยืนยาวถึงสองหมื่นปีพระนุโมทัศนสีก็มากกว่านั้นดิผนการที่คนคนหนึ่งตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วก็พบท่านอย่างสามสี่ครั้งเนี่ยก็น่าจะได้ก็ไม่ได้หมายความ ม, งมังมนุษย์อายุยืนแลยทุกคนจะอายุยืนทุกคนก็เป็นไปตามกรรมของตัวเอง แล้วท่านก็แสดงถึงการปรากฏพระองค์ของพระโนมทัตสีสมมาสัมพุทตะเจ้าก็แสดงให้เห็นว่ามาเพื่อจะโปรดเพื่อจะทรมานเพราะว่าทรงกําหนดพระทัยให้ดาบโกรรู้จักพระองค์การไปโกรธการไปทรมานคนอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะเปล่งฉับพันณรังสี วรัศมีที่สว่างสวัยก็คือฉัพันรังสีที่มีอยู่โดยปกตินั่นแหละแต่ปกติไม่ค่อยใช้นอกจากว่าสถานการณ์มีความจําเป็นจะต้องใช้ฉัพันรังสีพระองค์ก็ใช้เพื่อกํำราบฤทธิ์ของคนบางพวกที่มานะกระด้างชื่อดีแต่พอเห็นคนมีรัศมีรุ่งเรืองมาเนี่ยคล้ายๆกระโจนนมกลิมานั่นแหละ พอเห็นพระพุทธเจ้ามีรัศมรีรอบวงด้านละวาใจเบงกอกฝ่อแทนที่จะขึกหารเข้าไปเพื่อจะ้าบฟันให้ได้มันก็ไม่กล้าคิดขนาดนั้นหละกอันนี้มันเป็นเรื่องช่วยอย่างสมมติว่าในสมัยปัจจุบันมีพระมีความสามารถอย่างนั้นขึ้นมาสักองหนึง จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็ยุ่งกับเรื่องเบอร์หวยนะหวยเบอร์เนี่ยขอหวยขอเบอร์กันดุตลุตเหมือนกันบ่งโซงอ้อนวอนกันดุตลุตเพราะว่าเราไม่ตั้งใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติตามภารกิจที่เราเป็นพุทธบริษัทจริงๆ ปัญหาเหล่านี้ก็คงมาอยู่ตลอดไปเพียงแต่วา่าเตียงแต่วา่ามันจะลดลงได้หรือไม่เท่า น, นั้นเองแล้วท่านก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ประเสริฐมีความเพียรมากทรงทำที่สูนแห่งทุกเป็นมุนีชนทั้งหลายอาศัยซึ่งการเห็นนี้ย่อมพ้นจากทุกตัณปวงได้ไม่จะเห็นเฉยๆนะ ไม่จะเห็นองค์แต่เห็นคุณเห็นคุณก็คือเห็นปัญญาเห็นบริสุทธิ์เห็นการุณาภายในใจของตัวเองว่าใจตัวเองนั้นเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นรู้ความไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ความเบียดเบียนเป็นการุณาก็แสดงว่าถ้าจิตเปลี่ยนอย่างนั้นก็บรรลุมรรคผลได้แล้วก็ ท่านเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้เป็นเทวดาของเราเทวดาแล้วได้สวดดูพระลักษณะว่าทรางทรงเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้ากันแน่เวละเราจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงมีพระจักสุเราจะเห็นกงจากซึ่งมีกำพันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ที่พื้นฝ่าพระบาทอนุดม กาได้เห็นพลักษณะของพระองค์แล้วจึงถึงความแน่ใจว่าในใจในพระตถ า, าคตเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าในการนั้นเราจับไม้กวาดมากวาดที่นั้นแล้วได้นําเอาดอกไม้แปดดอกมาบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอกค ก็คือทำลายกิเลสได้นะโอค่าก็มีสีคือกามพบทิฏฐิอวิชชาแล้วก็ไม่มีอสาาวะก็คือไม่มีกามาสวะภาวาสาวะอวิชชาสาวะทำห น, งนังเสือฉเฉียงบ่าขั้นหนึ่งนมัสการพระนายกของโลกแต่สมาสมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอสาาวะ ทรงประทับอยู่ด้วยพระญาณนันใดโดยจากประกาศพระญาณ น, น, นั้นก็ท่านทั้งหลายจงฟังคําเรากล่าวเถิดกาแต่พระสยามภูผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้คือคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่มันนับไม่ได้หรอกคือไม่มีใครจะไปประมาณได้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ท่านู้นไม่ประมาณไม่ได้ แม้แต่ยกพระพุทธคุณมาบุทเดียวแล้วก็ไม่มีปากพอที่จะคือไม่มีความรู้พอที่จะพัฒนาครับเพราะมันเป็นอนเออนกนันนต์อเนกนันยากต่อการที่จะพัฒนานแต่ว่าก็ตามความจริงเวนีน้ค่อนข้างค่อนข้างเป็นห่วงใหญ่พระพุทธศาสนาก็บาพบกับเพื่อนฝูงวันก่อนก็หลายรูป สอบถามที่วาดมีพระธารายมีพระธารายมันพระลดหมดเลยลดลงจํานวนมากเลยต่างจังหวัดก็ลดหมดคนบวชมากจริงแต่ว่าอยู่น้อยแล้วไปถึงจุดหนึ่งพอ ร, รุ่นแก่ๆเนี่ยคือไปพบกันในงานนิมนต์บางคราวก็พบกันว่าเออพวกเราท่านนั้นก็แก่ๆด้วยกันทั้งนั้น แตเราผู้เราจะอยู่กันได้กี่วันแล้วต่อไปใครจะมาสืบต่อดูแลพระาศาสนาเรื่องเรียกว่าถ้ารัฐบาลปรารถนาที่จะอุปถัมภะพุทธศาสนาสืบสานพระราชนิพนธ์ปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากศินมา ร, ราราชพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาราชตลอดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ย คือมันจะต้องมีการบริหารจัการการจัดการโดยมีเขตพื้นที่การศึกษาระหว่าง จ, จะเอาไปจังหวัดหนึ่งจังหวัดมีหนึ่งสนักเรียนที่ไปเรียนรวมกันแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาร่วมกันด้วยจะยกตัวอย่างว่าบ้านบ้านหนึ่งชาวนาคนหนึ่งเนี่ย ไม้ข้าวปีละถังสองถังอะไรต่างๆไปช่วยเหลือในเรื่องปัจจสีพระเนก็ไปเรียนรวมกันแล้วก็เรียนเป็นหลักสูตรเลยกาหนดเป็นชั่วโมงกันเลยเรียนจริงเอาจริงสอบจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจวิชาการสมัยใหม่ติดตามวิชาการสมัยใหม่ด้วย เพื่อเห็นความโดดเด่นในบุมมองของพระพุทธศาสนาที่เปิดผลมาจากการศัตรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วคนเหล่านั้นจะมีหลักประกันคือจะอยู่หรือจะศึกก็ไม่ว่ากันเป็นเรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหนหมายความมันก็ต้องช่วยกันแหละถ้าเมื่ช่วยกันเป็นห่วงคือเคยพูดมานานะมาี่พูดบ่อย แต่อยู่ในสมาคมอะไรที่เราพอพูดได้เราก็บอกว่ามันเป็นห่วงว่าคณะสงฆ์นี่มันจะกลายเป็นผ้าชนิดติกัดตัวเองคือหมายความมันสึกกร่อนไปเองโดยลาดับสึกกร่อนไปเองโดยลำดับพนกก่าก็ตายไปสึกไปคนใหม่ก็บวชเข้ามาแทนทดแทนน้อยวัดก็จะไม่มีพระดูแลรักษา ว่าต่างจังหวัดเป็นอันมากวัดใหญ่โตนะะแล้วก็รกหลงรังเพราะสมภานมีรูปเดียวทั้งสมภานทั้งลูกวัดทั้งเนรทั้งอะไรก็ <c oughs> มีอยู่รูปเดียวแต่นั้นเองท่านก็เกินกำลังที่จะดูแลรักษาศาสนาก็เราลองดูว่าท่านดาวบทเนี่ยคนเดียวมีบริวารสอง0มื่นสี่พัน ท่านสารพังค่มีตั้งเจ็ดมืนกว่าพระพุทธเจ้าเองมีเป็นแสนคนในสมัยก่อนก็บารมีแก่กล้ า, าก็ออกบวชกันเยอะแต่พอมาถึงยุคหลังนี่เราจะพบความเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวแต่ความสนใจตั้งใจที่จะศึกษาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเวลนี้ก็ สอนปัญญโทกับปัญญาเอกอยู่ในหลักสูตรกรรมฐานทั้งสองชั้นและสอนหลักสูตรกรรมฐานทั้งสองชั้นก็มีพระเรียนปัญญาโทนี่มากหน่อยปัญญเอกก็เราสักห้าหกองแต่ก็ชื่นใจที่ก็ตั้งใจนะฮะตั้งใจ แล้วก็อะไรที่เขาไม่เข้าใจก็จะซักสายก็จะสอบถามชาวบ้านที่เขามีพื้นฐานมาน้อยเขก็ได้ฝลอยฟังได้ปล่อยอ่าัยสแต่เราก็คิดเปอร์เซ็นต์มันก็ยากอะเพราะว่าตอนเรียนเรียนได้ตอนทําดุษฎีนิพนธ์ทำอะไรต่างๆก็ยากก็จะผ่านได้สักรูปแต่คนนี่ก็โอ้หลายปีก็เรียนมา จำนวนมากแหละแต่ว่าผ่านมาน้อยทีนี้ถ้าเรายัางขืนทำงานในลักษณะ น, นี้จะจะยุ่งยากมากแล้วต่อไปในเงินจะเข้าไปมีอิทธิพลมากเพราะว่าเมื่อบริหารจัดการในแน่นอนต้องมีงบประมาณงบประมาณจะต้องเกิดขึ้นมาจากรักส่วนหนึ่งที่มีจำนวน เราคิดเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับศาสนาอื่นก็นแล้วกันนะถ้ากับที่เขาบารุงศาสนิกในศาสนาอิสลามเราคิดเท่านั้นเท่ากันแต่ว่าคิดเป็นลายหัวเปอร์เซนต์ศาสนาอิสลามก็ไปได้ศาสนาพุทธก็ไปได้ตัวช่วยกันสร้าง คนดีมีสินธรรมขึ้นในสังคมไม่มากมากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราก็ยุ่งในเรื่องปัญหาสินธรรมเท่านั้นแตงฟังทลายเสียงธรรมจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี